ที่ต้องได้กระทำไว้แล้วในภพชาติใดภพชาติหนึ่งซึ่งบุทุชนคนไม่มีญาณพิเศษทั้งหลายหาอาจรู้ชัดไม่ว่าได้มีการทำกรรมอันเป็นอกุศลเหตุนั้นตั้งแต่เมื่อใดและจะส่งผลเมื่อใดแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจนสามารถมีความรู้พิเศษจะรู้ได้และบางทีก็ได้แสดงให้รู้ล่วงหน้าเช่นที่พระอาจารย์สาคัญองค์หนึ่งท่านได้ปรารภให้ได้ยินกันเนืองๆว่าในอดีต